สวัสดีวันนี้จะขออนุญาตเล่าถึงประวัติของพระคุณเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะ ที่ได้มากราบนมัสการท่านอย่างไม่ได้คํานึงถึงวัย เวลาเหลืออีกไม่มากแล้วให้รีบพา 2447 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คนหลวงปู่คน 2 คนชีวิตในวัยเด็กของโดย ขนมไขมงคลที่ว่านี่เจ้าบ้านเค้า แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ตัวท่านไม่ มารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมตั้ง 4 ขวบเท่านั้นท่านก็เลยต้องกำพร้าทั้ง แล้วท่านก็ได้ใกล้ๆบังปะอินนั่นแล 21 ปีก็วันที่ 10 พฤษภาคม 2468 ที่วัดสแกร์ตำบลทนูอำเภออุทัย เป็นพระอุปชาพระอุปัชฌายหลวงพ่อแด่เจ้าอาวาสวัดสแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็หลวงพ่อฉาย เมื่อท่านบวชได้พรรษาที่ 2 หลวงพ่อกลั่นวัดพญาญาติก็มรณภาพ หลวงปู่ดู่ก็เดินทุรดงโดยมีสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดหมายปลายทางกล่าวคือเดินทางออกจาก หลปูดูได้ถือข้อวัดคือฉันอาหารมื้อเดียวมาตั้งแต่ก่อนปี 2500 แต่ภายหลังเมื่อประมาณปี 2525 ลาวสาุสิธิ์ราบนมนในท่านฉสองมือเนื่องจากท่าญชราภาพแล้วและประกอบว่าต้องรับแขกมากขึ้นท่านจึงได้ผ่อนป้นตามความเหมาะความควรแก่อัตรภาพแต่เมื่อถามความเห็นน้องท่านจึงทราบว่าท่านต้องการจะโปรด หลวงปู่ท่านได้ตัดสินใจไม่รับกิณฑ์นิมนต์ไป 2490 ส่วนที่นา 30 ไร่ท่านก็แบ่งให้ 18 ไร่ เขาก็เลยปรึกษากับภรรยาของเขาว่าเห็นควรจะยกให้เป็นสาธารณประโยชน์คือยก อยู่มาวันนึงเข้าใจว่าเป็นก่อน พศ. 2500 เลขน้อยหลังจากที่หลวงปู่ แก้ว 3 ดวงนั้นก็ได้แก่พระไตรสรณคมพอท่าน ท่านจึงกำหนดเอาเป็นองค์ภาวนาหลวงปู่ดูให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่อง ซึ่งนับว่าเป็นความเมตตาเป็นอย่างสูงๆหรือว่ามีเช่นครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ เรื่องของคนอื่นน่ะเราไปแก้เค้าไม่ ดีกว่าวัตถุอะไรทั้งนั้นกว่าวัตถุอะไรทั้งนั้นจากคํา ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้เท่าทันและพร้อมๆที่ ความเพียรที่เข้าสู่การปฏิบัติในมรรควิถีนะนอกจากความอดทนอด หลวงปู่เป็นเช่นครั้งหนึ่งมีนักเลงเหล้าติดตาม อาตมาไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่ให้ปฏิบัติให้อาตมาวันละ 5 นาทีก็พอนักเลงเล่าผู้นั้นก็เห็นเอ๊ะนั่งสมาธิแค่วันละ 5 นาที บางครั้งถึงจากการที่จิตเป็นสมาธิงดไปกินเหล้ากับเพื่อนๆ ทำเพื่อตัวเองนะคําพูดของทำ 4 ปีเขาผู้ที่อดีตเคยเป็นนัก เขาก็ตกตะกิดตะกวงใจก็กราบเรียนท่านโอ้ยโยมจะรู้หรือ ยังไม่ได้ทําบาปทํากรรมอะไรยัง พร้อมกับพูดบอกว่าเออขออนุโมทนากับพวกเธอด้วยนะ ท่านก็จะปรามโดยวกเข้าสู่ตัวโดยพูดเตือน แต่ว่าพระที่อุปถากท่านอยู่เล่าให้ฟัง เช่นเดียวกับข้าวของต่างๆที่มีผู้ๆที่อยู่ใน ก็พูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านไม่มีพิธีรีตองหรือว่า การที่ท่านสร้างหรือว่าอนุญาตให้เออติด ดีกว่าไปติดวัตถุอัปมงคลติดพระติดเจ้าติดตรัสรถเครื่องล้างของขลังดีเมื่อ ครั้งสุดท้ายแห่งการปรินิพพานพระอานนท์ผู้อุปัฏฐากพระองค์อยู่ตลอด เมื่อได้รับอนุญาตจากพระอานนท์แล้วมานพก็เข้า โดยทั่วไปที่มีเมตตาสูงรวมทั้งหลวงปู่ดูย่อมเป็นท่านก็อุทิศชีวิตเออ ไม่ต้องห่วงข้าห่วงตัวเองเถอะเอ่ออยากให้หลวงพ่อพักผ่อนมากๆพักไม่ได้แยะบางทีกลางคืนเค้าก็มากันเราครูเค้านี่อ่า หลวงปู่ดูเป็นเหมือนพ่อของลูกศิษย์ทุกๆคนเหมือนอย่างที่พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งถือเป็นคำยกย่องอย่างสูงเพราะเป็นทั้งฐานะของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดคือให้กำเนิดในเพศพระมหาจารย์และเป็นทั้งครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้และทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรหลวงปู่ดูให้การต้อนรับแขกอย่างเสมอหน้ากันหมด ท่านจะพูดห้ามปรามหากมีผู้มา ซึ่งนับเป็นโชคดีของบรรดาศิษย์ทั้งหลายเอออ้าวว่า เราเกิดความสดชื่นตลอดร่างกายจนถึงจิตถึงใจคงให้ปฏิเสธกันๆในชีวิตที่ ซึ่งมีความหมายว่ารสเปรี้ยวนี้หมายถึงศีลความเปรี้ยวจะๆไม่ให้เน่า หมายถึงปัญญาถึงปัญญาความเผ็ดร้อนโลดแล่นไปเปรียบเอออาตมาเคย เรานี่ปฏิบัติได้ 1 ใน 4 ของศาสนาแล้ว 4 ส่วนเรา 1 ใน 4 มันจวนเจียนจะได้แล้วมันก็คลายเหมือนกับเรา 1 ใน 4 แล้วแล้วต่อ ที่ว่า 1 นั้นอุปมาเหมือนโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอย่างน้อยเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้อย่างน้อย หากไม่ปิดประตูนรกให้ได้ธรรมให้ได้ 1 ลงปูดูเคยพูดเสมอว่า อุปัชชาของอาตมาคือหลวงพ่อกลั่นสอนว่าภาวนาได้เห็น เพราะเป็นกิเลสมืดๆหลวงปู่ดูท่านบอกว่าที่ว่าเป็นกิเลสละเอียดไปละกิเลสส่วนหยาบถึง เหมือนอย่างกับเราเดินผ่านไปในแบกเรือแบกแพขึ้นฝั่งไปด้วยหรอกแสง แสงสว่างใดเสมอเออธรรมอย่างนี้นะเป็นดินดินปัญญาคือดอกผล ออกดอกเมื่อไหร่ก็ต้องคอยระวังตัวหนอนกลิ่นหอมไปทั่วการปฏิบัติโกรธหลงไม่ให้ มีผู้ปฏิบัติหลายคนปฏิบัติไปนานเค้าก็ชักเขวก็แล้วอ่ะรู้สึกยังไม่ได้มีนิมิตภาย เออคนปฏิบัติแล้วเค้ารู้เค้าเห็นทางปฏิบัติกันตั้ง หมายถึงผู้เตือนซึ่งมีอยู่สี่อย่างถึงผู้เตือนซึ่งมีอยู่ 4 อย่างคือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายหลวงปู่ดูเล่าถึงเทวทูตทั้ง 4 สรุปได้ พุทธภาษิตทั้งเด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตทั้งโจรทั้งคนมีเออเวลาปฏิบัตินี่พอจะได้ อยากจะเล่าให้ใครๆฟังจริงมั้ยล่ะอาตมารู้ ผลปรากฏว่าพระรูปนั้นทําสมาธิอีก หากครูอาจารย์เมินเฉยไม่ดุด่าว่ากล่าวก็เหมือนเป็น แล้วโกรธโลภหลงมันจะคลายลงอาตมารับรองถ้าทํา คนเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกไม่จําเป็นต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงปู่ท่านก็ยินดีมีอยู่ครั้ง เอ่ออาตมาเออเราแอบทําเพราะว่าเราไม่สามารถต่อๆไปบางคน บางคนชิมแล้วยังๆก็ไปแสดงว่าเขาไม่ได้ ว่าหลวงพ่อเกษมที่อยู่จังหวัดนั่นน่ะท่านก็เป็นพระก็มีแต่ว่าหลวงปู่ดูมักจะพูดถึงแล้วก็รับ ก็มีหนังสือเล่มนึงที่เขียนโดยพระ 87 ปีท่าน ท่านเล่าความเป็นไปถึงเรื่องหลวงพ่อเกษมบอกว่าตอนที่ คืออัตมาดาวเอายังไม่ได้อะไรรู้อะไรหรอกตอนนั้นอาตมาเดาเอายังไม่ได้เออเป็นพระกังหันเนี่ยรูปไหนถ้าเนี่ยไม่เชื่อลอง สัจธรรมที่แสดงถึงความล่วง 15 วันซึ่งหลวงปู่ท่าน บาปกรรมมันจะไปตกแก่เค้าหลวงปู่ดูมักจะเตือน หลวงพ่อเดิมน่ะอ่าถึงขั้นนี้จะเป็นพระขั้นไหนเออเลยขั้นซะแล้วนี่ไม่มีขั้นแล้ว สมเด็จพระสังฆราชอยู่วสเกตพระอาจารย์อืมองค์นี้ไม่ค่อยขึ้นนะยังยังไม่ ในสมัยของหลวงปู่ดูครูบาอาจารย์ชั้น หลวงพ่อเกษมเขมโกแห่งสุสานไตรลักษณ์ที่ไปมา เข้าไปในเขตพระราชฐานของพระเจ้าแผ่นดินพวกสนมกำลังอาบน้ำอยู่ก็ตกใจกันพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้ตามจับไปจนถึงวัดแต่ก็หาไม่พบก็เลยออกอุบายให้นิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดเพื่อเข้าไปฉันในวังแต่ว่าหลวงพ่อคงก็ไม่ยอมไปก็เลยสั่งให้ทหารตามไปถึงวัดท่านก็ปิดกุฏิไม่ยอมออกมาก็เลยให้ทหารเอาไฟเผากุฏิ หลวงพอคงท่านก็ถอนกุติรอยแต่ก่อนที่ท่านจะไปท่านก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะพระราชาไม่อยู่ในศีลในธรรมตั้งแต่นั้นมาแต่ก่อนที่ท่าน angeons ก็บอกว่า ลูกศิษย์เค้าเคยนั่งสมาธิพบหลวงพ่อคงเอออาจารย์ดูน่ะเค้ามีบารมีสูง เขาไม่เชื่อล้องไปถามดูก็ได้บนอากาศได้นะไม่เชื่อลองไปถามดูอ่าได้แต่ยิ้มๆเรื่อง ลูกสาวคนหนึ่งไปธุระนอกบ้านพอกลับกระทันหันพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พากันตกใจก็รีบ เป็นเสียงของผู้ชายรวมทั้งถ้อยคําวาจาเอ่อเป็นคนอื่นพูดมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารคาวมากินอย่าง เมื่อหมอผีมาถึงบ้านแล้วก็เริ่มทำๆทําให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง มันก็เกิดความพอใจรักใคร่ต้องการจะได้ไปเป็นเมียตั้งใจจะเอาไปเป็นเมียนะไปเป็นผีพยายามพูดจา พ่อแม่ของหญิงสาวก็ต้องตะเวนหา ถอยออกไปจากร่างผู้หญิงนั่นทําทีคล้ายกับเกรงกลัวอํานาจเหลือหลาย ก็เวลาที่ถูกผีสิงรู้ว่ามันจะมาเข้าสิงอีกตราบจนกระทั่งวิญญาณผีใต้หงถอยออก 3 ปีเต็ม ซึ่งยมารังควานเป็นพักๆชนิดไม่ ถึงกับระเบิดโทรศัพท์ออกมาคูว่าจะยิงผีร้ายให้แหลก อาจจะเป็นเพราะวิบากที่เธอผู้นี้ วิญญาณก็กลายเป็นผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปทางไหนจิตก็ วิญญาณผีตายหงจึงทำลายล้างชีวิตเธอยังไม่ ผู้เป็นพ่อก็เลยตกลงใจเดินทางไปวัดสแกร์ทันทีวันที่พ่อของหญิงสาวซึ่งถูกวิญญาณ ลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่านช่วยกรุณาเรื่องทุกข์ให้ด้วยหลวงปู่ดูก็นั่งรับฟังเงียบๆเมื่อ พ่อของหญิงสาวก็รีบๆกันตรงนั้นน่ะไม่ เพราะไม่เห็นธรรมพิธีกรรมเข้มขลังอย่างเช่นเคยเออเรียกผีมารับบุญหลวงปู่ทวด ดูดูด้วยว่าผีมันรับแล้วหรือยังนะศิษย์ของท่านนั่งสงบนิ่งอยู่ในสมาธิคงจะติดต่อกับหลวงปู่ดูโดยจิตจากนั้นหลวงปู่ก็กล่าวเออรับแล้วใช่มั้ยเออไป แล้วก็ลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านก็ๆอย่าง อ่าใช่ผีเป็นเหตุน่ะลุงกลับไปบ้านไปลองดูถ้าลูกสาวไม่เป็นไรแสดงว่าหายผู้เป็นพ่อก็ก้มกราบหลวงปู่ดูด้วยความปิติๆ บารมีธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโญเรื่อง ย่อมไปผุดเกิดไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วภพภูมิอื่นต่อ ก็ตามนังส่วนที่จะไปเกิดในพบใดภูมิใดต่อไปสร้างทุกข์ให้กับ ในกุฏิของ 17 มกราคมปี 2533 อายุ 85 ปี 8 เดือนบวช 65 พรรษาครับนั่นคือประวัติของหลงปูดูพรมปัญโยนั่นคือประวัติของ